ตลอดไตรมาสสามเดือนผมเอาความจริงมาพูดเลยหลวงพ่อผมไม่นอนผมจะภาวนาบางทีมันง่วงมากๆผมก็เออบุญบารมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงพ่ออินด้วยเน่ผมปฏิบัติเพื่อเป็นอาจารย์บูชาผมตะโกนแรงๆเลยเพราะมันง่วงมากนี่แหละอันนี้คือเขา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 หลวงพ่อได้ยินเลยคอืบการแนะนำสั่งสอนลูกหลานไม่เปล่าประโยชน์แต่ตาผู้ที่ตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติแต่ผู้ที่เสียก็คงจะมีเหมือนกันเนะพราะลูกหลายคนบางคนก็จะมีแต่หาเรื่องทะเลาะชวนทะเลาะ อ, อาจจะมีอยู่เหมือนกันนั่นแหละเพราะลูกหลายคนนะแต่ผู้ตั้งอกตั้งใจก็นาาปลุ่ม ปีติยินดีดนั้นขอให้พวกเราเมื่อกระถินผ่านไปแล้วนะกระถินผ่านไปแล้วก็เป็นเรื่องที่ยุ่งเจิงหุ่นวายพอสมควรเรื่องกระถินเพราะว่ามีคนเข้ามาเกี่ยวข้องมากพอสมควรเหมือนกับฝนหมืดฟ้าหมืดฝนคลึ้มตกอย่างแรงแต่เนี่มันก็จางจางหายไปแล้วพายุผ่านไปแล้ว แต่พวกเราที่อยู่ทางในนี่กันนะแต่ถึงยังไงความแก่ความเจ็บความตายมันไม่ผ่านไปด้วยนะพยามัจโจราตยังตั้งหมัดตั้งมวยจ้องถือดาบจะประหัตประหารเราอยู่เราจะชะล่าใจไม่ได้เพราะนั้นเมื่อเรื่องมันผ่านมาเราก็เตรียมพร้อมช่วยกันทำการทำงาน อย่างที่ทหารเขา เ, เป็นคำอบอกกล่าวของนายทหารยามศึกเรารบยามสงบเราเตรียมคือยามศึกศึกสงครามเราก็ต้องรบถ้าจะเปรียบเทียบกับของเราก็เหมือนกันยามหน้าที่การงานยามกระถินยามอะไรที่เกิดเรื่องขึ้นมา เราก็ต้องเคียงบ่าเคียงไหลกันสู้การสู้งานไม่ใช่หลบนะไม่ใช่หลบการหลบงานแต่พองานจบไปแล้วนะโผล่หัวออกมาอันนั้นใช้ไม่ได้ยามศึกเราก็ต้องเคียงบ่าเคียงไหลช่วยกันคนละไม้คนละมือช่วยกันแก้ไขปัญหาตอนรับขับสู้แขกคนที่มาเกี่ยวข้องยามศึก ยามการยามงานเราต้องช่วยกันแต่เมื่อยามสงบนะมันผ่านไปแล้วอย่างนี้นะเราจะไปเร่ย์ล่าอีกอย่างเก่าก็าไม่ถูกอีกนะเราต้องอยู่ในความอยู่ในฐานที่มั่นเลยกลับมาหาความสงบเพราะเราปล่อยจิตปล่อยใจอปล่อยความรู้สึกไปนมไปมากต่อมากในช่วงนั้นเพอเพอจะกู่ไม่กลับอีกต่างหากแต่บางองค์เนะ่ยเกลกู่ไม่กลับนะเพราะปล่อยมากเกินไปเออ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 เรามาทำการทำงานอย่างเดียวใช่ไหมเรามาหาอยู่หากินใช่ไหมเรามาหาพูดหาคุยหาสมัครพรรคพวกมาพูดมาคุยอย่ั้นใช่ไหมก็ไม่น่าจะใชะ่ใช่ก็คือเรามาปฏิบัติจิจตภาวนาหาทางพ้นทุกตามพุทธบัญญัติตามพ่อแม่ครูบาอาจารย์แนะนำสั่งสอนใช่ไหมใช่น่าจะเป็นอย่างนั้นดังั้นขอให้พวกเราทุกๆคนนะ อย่าไปชราใจอย่าไปนอนใจให้รู้จักหน้าที่ของตนเองหน้าที่ของข้าคืออะไรหน้าที่ของข้าก็คือเป็นผู้มุ่งมั่นเป็นผู้ประกอบคุณงามความดีเป็นผู้สั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจพุดให้ระบบรัฐกัว่คิดดีทำดีพูดดีแอหลวงพ่อเคยบอกให้ฟังแล้วคิดดีนะั่นคิดยังไงทาดีนะั้นทำยังไงพูดดีนะั่นพูดยังไง อย่าให้พูดผิดศีลผิดธรรมคิด่าให้คิดผิดศีลผิดธรรมการกระทำก็่ะให้ผิดศีลผิดธรรมศีลธรรมคืออะไรเรากคได้ฟังมาพอสมควรแล้วแต่เรื่องคิดดีเนี่ยจุดนี้แหละเป็นต้นตอนพระพุทธเจ้าท่านไปค้นคว้าศึกษาแต่ท่านคิดดีจนได้ตัดสรู้เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณนั่นแหละท่านคิดดี จากนั้นท่านก็มาสอนพวกเราพระรหันแตษาวกทั้งหลายท่านก็คิดตามแนวแถวที่พระพุทธเจ้าแนะนําบอกกล่าวท่านก็คิดดีอีกเหมือนกันท่านก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ตามที่พระพุทธเจ้าแนะนําสั่งสอนบอกกล่าวสําเร็จนะใครๆว่าท่านเป็นดอกเตอร์มาแล้วมาสอนผู้อีกคิดอย่างนี้นะท่านก็สอนเป็นเดินตามเป็นดอกเตอร์อีก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 พองานกระถิ่นเสร็จแล้วกันนะเออมองซ้ายมองขวามองหน้ามองหลังเออมีแต่หายแต่ทางออกมันออกไปไหนออกไปไหนก็ถือบ่วงกิเลส ท, ทั้งหมดน่ะเอ่อกิเลสมันดักบ่วงไว้แล้วเออไปที่ไหนไปเที่ยวไปเตรไปสนุกไปสนานเออไปอันไหนมันก็เมียงมีแต่เรื่องกิเลส ท, ทั้งนั้นเออบ่วงกิเลสมันดักไปหมดแล้วเออระวังนะ่ะกิเลสบ่วงมันรัดคอ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 แต่เองตัวเองมันถูกเกินไปตัวเองก็โมโหไอ้เขาอีกต่างหากเนี่นี่แหละให้ตัวเองดูตัวเองฮะจะไม่มีใครตำหนิแต่มันดูยากนะดูตัวเองมันดูยากนะแต่ที่ยังไงให้ดูไว้ขอให้พวกเราทุกๆคนนะอย่าไปนอนใจอย่าไปช้าใจเวลาผ่านกระถินผ้าป่าไปอย่างนี้แหละเอคนมันเงียบเป็นโอกาสที่จะภาวนา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 จะออกมาเพ่น่านหน่อยเป็นธรรมชาติของมันเป็นธรรมชาติของสัตว์หลวงพ่ออยู่ในป่าบ ง, บงลงผงัยหลวงพ่อจะรู้ธรรมชาติมันเป็นยังไงพัขอให้พวกเราทุกๆทกทันนะตั้งใจภาวนาตั้งใจปฏิบัติเอาตอนนี้ไปรับพร